โล่งโปรงไปหมดถ้านั่งสมาธิเป็นจะเป็นอย่างนั้นนะเขาจะอะไรเหรอขอไปลอยหน่อยไนดะ้ไหมปลายใหญ่เลยนะมันไปติดง่วงเลตัวที่ห้าลังรีสงสัยวิกิจิตชาจริงนะบางทีผู อ, อา่านหนังสือเยอะเรียนหนังสือเยอะหนังสือมันไม่ได้บอกอย่างนี้เนี่ยอย่างนั้นปใหญ่เลมันก็เลยติดสงสัยพอติดสงสัยปัญญาก็ไม่เกิดมันเลย การที่เราปริยัดหรือทฤษฎีมันเรื่องหนึ่งไอ้ตัวปฏิบัตินี้ก็อีกเรื่องหนึ่งต้องรู้ตามความเปินจริงของกายและใจรูปและนามพระธรรมแปดหมืนสี่พันระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าสอนย่อแล้วก็เหลือกายและใจรูปและนามย่อที่สุดเดือจิต ด, ดวงเดียวไม่ว่าโยมจะฝึกสายไหนวัดไหนสุดท้ายก็เหลือจิต ด, ดวงเดียว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 ในที่นี้เราจะรักษาจิตได้พอรักษาจิตได้เราจะมีความสุขเมื่อกี้พระอาจารย์กลาบพระพระสงฆ์กาบพระพุทธรูปรู้สึกมีความสุขไหมเห็นบางคนน้าตาไหลนะมีปิติธรรมไหมใครรู้สึกได้ยกมือขึ้นหลายคนมันเกิดความาซาบซึ้งขึ้นมาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูหลวงพ่อชาสอนท่านอาจารย์ชยสโรรู้จักไปพระฝรัง่ง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 มันแก้ยากนะระวังนะจิตมันเข้าผวังสติอ่อนถ้ามีเสียงดังก็จะตกใจขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าสติอ่อนแต่ถ้านั่งสมาธิเป็นไม่เป็นไรมันจะใสจิกเลยพูดก็ได้ยินอยู่ตลอดเวลาใครเอาอะไรมาเคลย่อนใกล้ๆก็ไม่ตกใจพราะฉะนั่งประตูมันติดข้ามาปั้งอย่างนี้นะ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 ช้าๆกดยามนุ่มนวลกล่าชาๆใจจะอ่อนโยนนุ่มนวลพระอาจารย์จะบอกนะครา บ, บอกให้กราบก็กล่าวค่อยๆบอมีจิตดู้ว่าเรากำลังกลาจิน้อมเรียถึงพ่อคุณคุณพ่อละก่อนจะได้พ่อสองหลา ขอครวพ่อขอคารพรพ่อให่ชาติในหลวงรการที่9 <ต>่อามาก็ในรลวงรการที่10เป็นในหรวงพ่อให่ชา ต, ติองปัจจุบันจนไปถึงองสมเด็จพระจอบมาสษ พ, พุทธเจ้าพระพิดานเจชาพุทธารามทำได้ดนะีมาหลายคนนอกเนา ป่าพระพุตตะบาดยังไม่เหยขึ้นขึ้นอ่ถ้าทคอมได้แค่ไหนก็แค่นั้นถ้าปวดเอวก็เหนื่ยขึ้นได้ข้าที่หนึ่งปฏิาโดยกายยกังโดยจีกังมโนกังกังหน้าตีเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้าก็ทําแล้วต่อคุณพระรัตนไตรขุณพระพุทธคุณพระธรรมุณพรสงฆ์ุณบิดามารดาคุณ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 ใจตามรู้สติตามกึ้นมทุกข์ยังอยากรู้ตลอดมันเกอรู้กายรู้จิตจสติปานสีตายเป็นจิ้สติตรู้ <c oughs> ใค ร, รู้สึกในความสุขเื่ยบร้อยสุด <c oughs> ใจรสร้าสิงมาพุดเจ้มยศหมดอิ้นค่อยๆทำส่งี <c oughs> ้ฝ่าอ่นาา อ, อนโยน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 ขะรู้รรดีแล้วคอยท้าพระเจ้าจะรู้แจ้งตามท้าพระเจ้าจะนำพาผู้นี้รู้แจ้งตามีดอกตาเห็นทางรู้ธรรมบนตุกสู่ปะนิาพาตโดยทษกข์น่ากันข่อข้อเดูอดช้านุ่มนวล น, นอบนอ้อมเดินมาแล้วตั้งสติไปก่อน จิตเราอ่อนโยนนุ่มนวนไหมใครรู้สึกจิตของเราสงบจกเบื้อขึ้นจิตอ่อนโยนก็มนะวันวยกมบือขึ้นปานโมทนาคันที่สามให้ดีที่สุดค่อยๆคือค่อยจ่าลงไป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 กได้รบรู้ธรรมบนทุกส่ภัญญาปานโวยที่ไมน่ากทนทุกท่านทุกหนทีน่คอยคองเบิกเชื้อให้สถีตตรตอดเวลาตายกอโดโยนจิตใจของเราก็อดโยน่้วยนวลบางคนจะรู้สึกว่าใจ พุทธเจังสัูชา้ารบบูชาปุตตะฟร๊อยเลยซึมมีสติแล้ก็ซาบซึ้งเมื่อทำอันที่ใบ้อยคุณโยอมจิตคุณยอมจะเปลี่ยนไปใจจะอ่อนโยนขึ้นที่เคยทำอะไรไบ ไ, ไวแล้วมี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 เพื่อนบางทียืมตังไปยังไม่ให้มันให้ภัยได้แม่ดุริดหน่อยก็ไม่ยอมอะไรนี้เขามาปฏิบัติก็เริ่มคิดได้ไปขอขามาแม่แม่ก็แปลกใจชวนแม่มาปฏิบัติเถอพาาะพระอาจารย์เขบอกโยมปฏิบัติยังไงโอโยมปฏิบัติมายี่สิบกว่าปีทั้งสองคนผมเองเป็นอาจารย์ด้วยนะเป็นวิท ย, ยากรด้วยมนะโ อ, โ, อ โ, อโอ้ตาเต็มเครื่องโยม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 ไอ้สามีโมโหด่าภรรยาเลยคุณทํอย่างนี้ตก ล, ลงกันแล้วไอของขึ้นเลยภรรยาก็นิ่งมันดูจะพูดยังไงโมโหตามไปหาพระพุทธเจ้าไปด่าพระพุทธเจ้าที่วัดหนึงพระเจ้าก็นั่งฟังอา้าพราบด่าไปบมดแรงพระเจ้าไม่ว่าเลยทุกอย่างหดทุกอย่อางหมดแลว้วอันนี้พระอาจารย์พูดเองนะแต่ท่านก็นั่งนิ่งของท่านนะอา้สอสาเสาจะพักหายเหนื่อยกว่า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 โลคโลกีปลดลงทิ้งหลงเสียดีสร้างกรรมดีดีตีกรรมเวนเพลงมันสอนนะจะทำบาปอีกต่อไปถ้าที่ทิเบตนะบางที่เนี่ยเขาไม่ได้เผาเขาสับร่างมานีก่ก็สับสับสับแล้วก็มันจะมีแรงมารออยู่ก็โยนให้กินเคยดูไหมในะยูทูบนีใครเคดูยกมือขึ้นก็ยังเป็นประโยชน์ให้จัดกินนะ แสดงว่าเรากินเขามาเยอะนะั้นเขากินมากเวลาตายไม่ได้เป็นดีเขามากเกินไปฟังทำวันนี้ดีไหมโยมใครรู้สึกดียกมือขออนุมโมทนานะให้อยู่แล้วก็ทาประโยชน์ให้ตนเองประโยชน์ให้สังคมบ้างให้ประเทศชาติเรามีความ ส, สงบสตบ <c oughs> สุขสงบร่มเย็นได่ตากันให้อภัยกันไม่ว่ากัน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 ก็โอ้ยใหม่ ๆ, ๆก็กีรดเยอะนะตำรวจรู้รๆออยู่เพื่อนไปทาหารเรื่องกันไม่เข้าวัดเรามโจ น, นเที่ยวอย่างเดียวแม่บอกไปถ้าวัดไม่ไปไอ้เพื่อนคนนึงพิชานจรรอบรรดี่นี่เป็นอะไรอยู่ภาคใต้อย่างมันหับเ็ใหญ่แม่ น, น, น่าจะลองไม่พับหรือยังไงพระอาจารย์จำไม่ได้มันนานนะแต่เป็นในผลน่ะมันก็บอกเฮ้ยไปก็ไปวะไปทำอะไรวะไปดูสาวสวยกันนะครัาวัด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 ฉันมือเดียวแล้วก็ฉันลำบากมากบางวันเนี่ยพระเขาบอกว่าท่านตำรวจวันนี้มีตีนูพิเศษโอ้โก่ยากวลคิดใจใจอึ่งต้มยอมเคยกินไหมอึ่งต้มตัวนี้เดียวพอมันต้มปลื้มเลยตัวเท่าดีบอกแต่หลงพี่พิจารณาเลยนะ้วบางวันมีก๋วยเตี๋ยวพิเศษไปอีกรอท่านตำรวจวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวอร่อยเลย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 จะมีความสุขนะในการเป็นพระนะมีความสุขมากสังเกตพระอาจารย์จะยิ้มบ่อยๆสังเกตไหมนะมันมีความสุขความสุขเพราะใจเราเนี่ยมันก็เรียกอะไรไม่คิดอะไรให้เป็นอกุศลอีเมตตาแต่ก็ยิ้มไม่ได้ทุกคนละแนะนำเพิ่มนะคุณโยมเวลาปฏิบัติธรรมเน่ถ้าสู้เองแทบตายนะ阿拉ธน า, าบารมีเลยวันนั้นเนะี่ยไปนั่งอยู่ที่ ป่าช้าบ้านกระนวนปี2530ประมาณมีนาคมขอนแก่นลมพายุมันมาน่ากลัวมากเลยตนน้นไม้มันใหญ่เจำไหก่อนนะแค่กิ่งมันนี่ขนาดนี้ลนคอหักเลยนะซาประเดิดก็บอกพระพระุระเจ้าขึ้นสลาเคยมีต้นไม้ทับคนตายอ่ามอ ง, งุ่นขึ้นกันหมดเลยเหลือไม่กี่องค์เลยไปกันสิกว่ารูปมนะั mm ้ hmm. ก็มีพระสมจริงรูปนะั mm ้น hmm. ท่านตางบดจะขึ้นม อืมถ้าท่านขึ้นไปนะผมไม่ขึ้นนะถ้าไม่ขึ้นผมก็ไม่ขึ้นนั่งน่ะตายได้ตลอดเวลาเลยโยมลมมันแรงมากลมพายุอ่ะเคยเห็นแม่มันยกบ้านขึ้นเลยอ่ะยกหลังคาขึ้นน่ะแล้วก็วิวิวหูวิ่งเลยหมดลูกเห็บหล่นเนี่ยเท่าหัวนิ้อเป่างแล้วก็หัวแตกโนขึ้นทันทีเลยอีกทักสองลูกอาจจะลุกแล้วดีมาโดนลูกเดียวก็เลยอยู่ต่อ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 ดึงออกปรอยู่ทะลุอ่ะแล้วศพนั้นก็เริ่มเนานะ่าแล้วก็เข้าไปดูใกล้ๆอ่ะไอไอคนนี้มันใครวะเอ้าเป็น เ, ปเราจําได้เราเคยโดนเขาทำอย่างนี้ก็ยิ่งสรดใจเลยและเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เนี่ยพอเน่าก็าเหลือแต่กระดูกพอเน่าเน่าเน่ากระดูกลมพัดหายหมดเลยพุระเจ้าบอกสุดท้ายมนุษย์เนาก็าดิ่งน้ํำลมใสคืนหมดตั้งแต่ภาพจบก็เลยอธิษฐาน